เจ้าหญิงกับกระโปรง20ตัวนี่เป็นเรื่องราวจากดินแดนที่มีชื่อว่าฮอลแลนด์และผู้คนในดินแดนแห่งนี้คือชาวดัสในฮอลแลนด์เมื่อหลายศตรวรรษก่อนยังมีราชาและราชินีผู้ซึ่งมีลูกสาวที่แสนจะ ง, งดงามอยู่หนึ่งคนเจ้าหญิงนั้นช่างงดงามและเธอรู้ตัวเองดีดังนั้นผู้คนในดินแดน ต่า ง, ลงหลงไหลในใบหน้าที่แสนหวานของเธอเธอเองก็ชื่นชอบใบหน้าของตัวเองเช่นกันในตอนนั้นยังไม่มีกระจกหรือโลหะใดๆทำให้เจ้าหญิงต้องเข้าไปในป่าเพื่อไปยังทะเลสาบและส่องดูเงาสะท้อนแสนสง่างามของตัวเองในสายน้านั่นทำให้เธอชื่นชอบธรรมชาติและป่าไม้เป็นอันมาก เธอจะเล่นกับโคลนตลอดทั้งวันวิ่งเล่นกับพวกสัตว์ต่างๆตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับพระราชวังผมของเธอจึงพันยุ่งเหยิงโอ้ทูลหัวของหม่อมฉันฉันจะทายังไงกับผมที่พันยุ่งเหยิงของท่านดีล่ะคะเนี่ยไม่รู้สินั่นเป็นงานของเธอไม่ใช่หรืองไงมานั่งก่อนเธอไปคะให้หม่อมฉันได้หวีผมให้มันอาจจะเจ็บสักนิดหน่อย โอ๊ยเธอทำอะไรไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยเธอนี่มันเหมือนควายป่าจริงๆควายป่าเจ้าหญิงเรียกหม่อมฉันว่าควายป่าอย่างนั้นเหรอเพคะนั่นหยาบคายมากเลยนะเพคะก็หัดวีผมให้มันดีๆกว่านี้สิมิฉนั้นพวกเรานะ่ก็จะพูดกันแบบหยาบคายแบบนี้แหละ น้ำนี่ก็ร้อนจริงๆเลยช่วยทำอะไรสักอย่างจะได้หรือเปล่าเนี่ยก็อย่างที่คุณเห็นค่ะพฤติกรรมของเจ้าหญิงนั้นไม่ได้น่ารักเหมือนกับใบหน้าของเธอเลยสักนิดการเล่นกับพวกสัตว์ในป่าและผมที่พันกันของเธอนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่ว่าการที่ดูถูกคนรับใช้ที่มีอายุมากกว่าเธอและพยายามช่วยเหลือเธออย่างดีนั้น นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยสักนิดราชินีนาเรื่องที่เจ้าหญิงขี้หงุดหงิดไปบอกกับพระราชาแต่พระราชารักลูกสาวของเขามากจนทาใจไม่ได้ที่จะลงโทษเขาจึงแค่ปลอบใจราชินีเท่านั้นลูกสาวเราก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะทีรักเธอแบ่งปันความรักของชันกับพวกสัตว์ต้นไม้และสิ่งต่างๆในป่าเห็นไหม เธอใส่ใจลูกวัวตัวน้อที่ได้รับบาดเจ็บเพียงใดและพวกนวกก็จะบินแหวมาทุกครั้งที่เธอเข้าไปในสวนด้วยละ่ะแม้ราชาจะปลอบใจว่าเจ้าหญิงใจดีและมีเมตตาต่อพวกสัตว์เพียงใดเขายังคงกังวลว่าราชินีจะทำอะไรดังนั้นเขาจึงนำความกังวลใจของเขาและพามันเข้าไปในป่าอย่างที่เขาชอบตรงนั้นเคยเป็นที่อยู่ของเพื่อนเขา ต้นโอ๊กที่ยิ่งใหญ่เคยตั้งอยู่ที่นั่นหลายปีก่อนในตอนที่ราชายังเป็นเด็กน้อยและอายุเพิ่งสิบขวบเขาเห็นคนตัดไม้มาโค่นต้นโอ๊กลงฉันไม่ยอมให้คุณตัดต้นไม้ต้นนี้หรอกนะเจ้าไอ้พวกเราต้องการไม้งั้นก็ไปหาต้นไม้ที่ตายแล้วสิฉันจะไม่ยอมให้คุณตัดต้นไม้ต้นนี้แน่ไม่อย่างนั้นขวานของคุณจะต้องผ่านฉันไปก่อนที่จะถึงต้นไม้ต้นนี้ ดังนั้นคนตัดไม้จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทิ้งต้นโอ๊กไว้เช่นเดิม mm hmm. เจ้าชายสั่งให้ทหารคอยเฝ้าเอาไว้และไม่อนุญาตให้ใครตัดต้นไม้ที่แข็งแรงยกเว้นแต่ต้นที่ตายแล้วเท่านั้น mm hmm. และยังห้ามไม่ให้ใครล่าสัตว์หรือจับแม้แต่นกสักตัวออกจากป่าแห่งนี้ mm hmm. ในวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายกําลังเล่นอยู่ในป่า mm hmm. นั่นเสียงอะไรนะ่ะเสียงเหมือนมีสัตว์กาลังร้องอย่างเจ็บปวดฮะเจ้าชายน้อยค้นหาทุกซอกทุกมุมในพุ่มไม้ต่างๆจนกระทั่งพบกับลูกควายป่าลูกควายป่าบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากขาของมันได้รับบาดเจ็บและแผลลึกมากราชาจึงนำควายป่าตนนั้นกลับมายังพระราชวังและดูแลมันเป็นอย่างดีตลอดทั้งคืนจนกระทั่งมันอาการดีขึ้นและปล่อยคืนสู่ป่า เมื่อเจ้าชายน้อยได้โตขึ้นจนมีอายุได้ยี่สิปีเขากลับเข้าไปเยี่ยมต้นโอ๊คเพื่อนเก่าของเขาอีกครั้งและพบว่ามันจะตายต้นโอก๊กต้นโอ๊กเพื่อนข้าเกิดอะไรขึ้นกับนายงั้นเหรอทำไมนายดูเหี่ยวเฉาละเพื่อนฉันจะตามหมอและคนสวนมาเผื่อพวกเขาจะมีวิธีรักษานายนะไม่มีประโยชน์หรอกเจ้าไอา วิญญาณฉันถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วนายช่วยชีวิตฉันไว้หลายต่อหลายครั้งเพราะฉันนั้นตอนนี้ให้ฉันได้ตอบแทนนายบ้างเถงอะอนกลมเหมือนก่อนอโอ้ควยป่าเพื่อนรักในกรก็ดูเหนื่อยล้าอ่อนแอเหมือนกันนะเนี่ย พวกเลชอนเป็นพี่น้องก่อนพวกเราถูกสาปให้มีชีวิตเป็นต้นไม้และสัตว์ตอนนี้คำสาปใกล้จะหมดแล้วละและมันก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้กลับไปยังดินแดนพวกเราในดวงดาวแต่ก่อนที่พวกเราจะไปเจ้าชายผู้สูงส่งพวกเราขออวยพรให้ดินแดนของนายมีแต่ความสุขความเจริญยังไม่มีที่สิ้นสุดเลยสำหรับความเมตตาที่นายมีมันเหมาะสมที่สุดแล้ว เมื่อฉันตายไปเอาเขาโขงชอนไปเอามันไปทำหวีไว้สําหรับลูกสาวที่นายจําและเมื่อฉันตายตัดไม้ของฉันไปเมื่อลูกสาวของนายอายุครบเจ็ดปีให้คนทำกระโปรงจากมันและให้เธอใส่ทุกครั้งเมื่อเธอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนายวั น, นึง เธอจะพบดอกไม้สีม่วงเกิอดอยู่ตรงที่ต้นโอ๊พี่ชายชั้นต่างอยู่และให้หญิงคนแห่งดินแดนคนนั้นเด็ดก้านดอกไม้นั้นไปและก่อนที่นาจะรู้ตัวบ้าที่มืดมิดแห่งนี้จะกลายเป็นทุ่งยาที่เต็มไปด้วยดอกไม้มากมายผู้คนคงนาจะสัมผัสสิ่งงดงามและอ่อนนุ่มราวพื้นผ้าที่ดีที่สุดที่ใครเคยพบเห็น อาาจัของนายจะกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ดุ่งเรืองที่สุดในโลกจนวันนี้มันก็ได้ผ่านมาเนิ่นนานแล้วราชายืนอยู่ในป่าและจำได้ว่าต้นโอ๊กและควายป่าเพื่อนของเขาพูดว่าอะไรความกังวลในหัวใจของเขาเริ่มมีความหวังขึ้นมาราชาขอบคุณพวกเขาในใจและรีบกลับมายัางพระราชวังในทันที เขามีกระโปงที่ทําจากไม้ของต้นโอ๊คและหวีที่ทําจากเขาของควายป่าแล้วเออลูกสาวของเราหยาบคายกับคนรับใช้พวกนี้จนพวกเขาร้องห้าอีกแล้วเรียกเธอมาที่นี่เจ้าหญิงถูกเรียกเข้ามาพบและเมื่อเธอมาถึงพ่อได้ยินว่าลูกทําตัวแย่อีกแล้วใช่ไหมพ่อคะพวกเขาทั้งหมดน่ะช่างไร้ค่าจริงๆพ่อได้แล้ว ต่อจากนี้ไปเจ้าจะต้องใช้หวีอันนี้กับผมของเจ้าและตอนนี้ไม่ว่าเมื่อไรที่เจ้าหยาบคายเจ้าจะต้องสวมสิ่งนี้แต่ว่าท่านพ่อคะหนูนะ่ะไม่ต้องถามหรือว่าสงสัยอะไรอีกแล้วใส่มันซะตอนนี้เลยและมันก็เป็นเช่นนั้นเรื่อยมาเมื่อไหรก็ตามที่เจ้าหญิงหยาบคายเธอจะต้องสวมกระโปรงที่ทําจากไม้ เจ้าหญิงไม่ชอบมันมากและนั่นทำให้พฤติกรรมของเธอเริ่มดีขึ้นและในทุกๆครั้งเจ้าหญิงจะถูกหวีผมโดยหวีที่ทำจากเขาของควายป่าและมารยาทของเจ้าหญิงก็ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่างมากอ๋อฉันรักหวีอันนี้จังมันช่างนุ่มนวลแต่ว่าผมของท่านยังยุ่งเหยิงมากนะเพคะ ฝ่าบาทอาจจะเจ็บสักนิดหน่อยอชน่าจะเจ็บแต่ไม่ต้องห่วงนะแม่นมฉัน่ะทนไหวทําไม่เป็นไรนะเออเออหม่อมฉันขอโทษเพคะหม่อมฉันขอโทษเพคะถ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคนเราน่ะก็ลื่นล้มกันได้นี่เนาะทุกคนต่างประหลาดใจมาก กับเจ้าหญิงที่เปลี่ยนไปจากเจ้าหญิงคนเดิมที่หยาบคายและเห็นแก่ตัวไม่นานมารยาทของเธอก็งดงามเช่นเดียวกับใบหน้าของเธอเธอไม่ต้องการสวมกระโปรงไม้อีกต่อไปและกลายเป็นคนที่ใจดีอ่อนหวานที่สุดในอาณาจักรวันหนึ่งขณะที่เธอเข้าไปในป่าตามปกติเธอไปยังจุดที่ต้นโอ๊คเคยอยู่และเธอพบกับดอกไม้ที่งามที่สุด เธอเก็บดอกไม้ดอกนั้นกลับมายัางพระราชวังและเอามันไปให้แม่และป้าที่มาเยี่ยมดูแม่คะป้าคะดูนี่สิหนูเห็นมันในป่าวันนี้ด้วยดอกอะไรนะ่ะท่างเป็นดอกไม้ที่งดงามจริงๆนั่นไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาหรอกนะมันคือดอกฟาฟนะ่ะดอกไฟงั้นเหรอมันคืออะไรอะ่ะ ในไม่ช้าป้าก็สอนให้ผู้หญิงในวังเรียนรู้วิธีแยกก้าและแยกกลีบดอกฝ้ายและใช้ล้อปั่นผ้าสร้างผ้าลินินที่งดงามออกมาในไม่ช้าทั่วทั้งอาณาจักรก็กลายเป็นสวนดอกฝ้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกๆคนในอาณาจักรต่างปั่นดอกฝ้ายเพื่อสร้างผ้าลินินที่อ่อนนุ่มช่างทำเสื้อผ้าที่คอยสร้างชุดให้กับสุภาพบุรุษและสตรี เจ้าหญิงรักพาลินินเป็นอย่างมากและในวันหนึ่งกระโปรงตัวนี้อ่อนนุ่มจริงๆเลยเอาตัวอื่นมาอีกสิดูสิว่ามันงดงามแค่ไหนเอามาอีกเร็วเข้าอ๋อดูสิยิ่งห่อก็ยิ่งสวยมันช่างดูสง่างามยิ่งนกเอามาอีกเร็วเข้าเจ้าหญิงสวมกระโปรง20สิบตัวและเดินอย่างชำนาญไปทั่วพระราชวัง ผู้หญิงทุกคนคิดว่ากระโปรง20ตัวนั้นช่างเหมาะสมและงดงามที่จะใส่แฟชั่นนี้เป็นเทรนไปทั่วอาณาจากักรเด็กสาวผู้หญิงและเจ้าสาวทุกคนต่างก็สวมกระโปรงทับกัน20ตัวเพื่อความงดงามจนถึงทุกวันนี้แฟชั่นของเจ้าหญิงก็ยังอยู่คู่กับชาวดัสในฮอลแลนด์เป็นต้นมาแฟชั่นนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหญิงผู้สวมใส่กระโปรง20ตัวที่สาคัญเราต้องรู้ว่า เธอเป็นคนเดียวกันกับเจ้าหญิงที่เคยใส่กระโปรงที่ทำจากไม้มาก่อนตอนนี้เธอสามารถสวมกระโปรงจากพาาลินิน20ตัวทับกันบนตั ว, เ, วเธอได้อย่างสบายๆเมื่อพวกเรายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองและแก้ไขมันพวกเราจะกลายเป็นแสงสว่างและมีความสุขในที่สุดผู้คนทั่วราชอาณาจักรต่างรู้สึกสบายและมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเจ้าหญิงได้กลายเป็นคนที่สุภาพ อ่อนหวานและเป็นที่รักของทุกคนไม่มีใครได้ยินว่าเธอหยาบคายอีกเลยเพราะเมื่อเราสามารถแก้ไขนิสัยแย่ๆได้เป็นธรรมชาติที่คนอื่นย่อมให้อภัยเราอย่างแน่นอน